พระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศีมหาวีโรวัดประชาคมวณารามอําเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพระอริยเจ้าผู้มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศีมหาวีโรท่านเป็นสิทธิรุ่นสุดท้ายของท่านพระจา์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการที่กระทำบำเพ็ญมาแต่บุกเพชาตลาบสการะชื่อเสียง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 คือปฏิปทาอันแกร่งกล้าน่าอัศจรรย์สู้ตายเพื่อทำกรัมศึกในทุ่งดขวัตหาผู้เปรียดได้ยากด้วยวัตปฏิบัติและปฏิปทาอันนำมาซึ่งความเลื่อมใสสาธุชนทั้งหลายจึงพากันลังไส่กันมามากขึ้นโดยลำดับมีพระภิกษุสา ม, มนเณรและสาธารณิตมากมายทั่วประเทศและต่างแดนเช่นอินเดียจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา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 บนยอดเขาผ่าน้ำ ย, อย้อยอัน ง, งามสง่าเทียมฟ้าท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธามั่นคงยังรากฟังลึกลงในพระธรรมของพระสถาคตเจ้าแล้วและเป็นผู้ถึงซึ่งการนับได้ว่าสมณะสากยปติยาโดยแท้คือท่านเป็นบุตรเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับแรมแปดค่ำเดือนหกปีมามีย นาบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนายอ่อนสีและนางถุงจ้อยปกสีหนังมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่ท่านเป็นบุตรคนที่หกในพี่น้องรวมกันสิเอ็ดคนหลวงปู่ศีมหาวีโรเล่าเรื่องอำเภอวาปีประทุมไว้ว่าวาปีประทุมไม่มีภูเขาเหล่ากาไม่มีทิวผาเหวถ้ำคนทิ่นแถวนี้ เดิมย้ายถิ่นฐานหนีภัยสงครามราชภัยและทุพ ภ, ภัยคือความอดอยากแรนแค้นมาจากทางย่านดอนมุดแดงนะครจำปาสักประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสา ร, รคามอาณาเขตของอำเภอวาปีประทุมที่ใต้ติดต่อกับอำเภอพระยาภูมิดินแดนเสือโคร่งเสือเหลืองมีป่าดงตลอดแนวคือ ดงบังหุดอ้อนาเชือกทอดยาวไปถึงนาดูนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นป่าดงครั่งดงไม้เหล้าดงป่าแดงดงขมิ้นด้านทิศตะวันออกเป็นป่าดงไม้เข็งซึ่งเป็นพันไม้งามทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของวารีปทุมเป็นป่าดงโคกโจดหวายาวแดงเงาะโคกใหญ่เป็นป่าดงดิบปิดเขตเสือโก้ซึ่งเคยเป็นทางเสือผ่าน คือระหว่างทางจากตำบลหนองไฮถึงตำบลเสือโกกในปัจจุบันทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีป่าดงตลอดแนวคือดงเชง่งดงหนองแคนจรดดงใหญ่โคกสีทองหลางโคกเทอเลอร์ดงขามป้อมซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปูศ่ศรีหลวงปู่ศรีเล่า ว, ว่าในสมัยเราเป็นเด็กตามลำห้วยหรือหนองคลองบึงให ญ, ใหญ่ใกล้ๆราวป่าแถวถิ่นบ้านขามป้อม ในเวลาเช้าเย็นมักจะเห็นฝูงสัตว์ป่าลิงข้างบางชนีหรือสัตว์ประเภทอื่นๆผากันลงมากินน้ํากันเตึงประจำบ้านขามป้อมซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราก็เหมือนกับบ้านชาวอีสานทั่วไปตั้งอยู่ท่้ำกลางท้องทุ่งหน้านาปลูกข้าวหน้าหนาวปลูกผักเสร็จจากฤดูทํานาก็ทําไร่ทําไร่ฝ้ายไร่ข้าวฟ่างทั่วเผือกปอมันนอกจากนั้นยังปลูกผักสวนครัวนานานชนิด สำหรับบิดาของเราทำงานหนักเอาเบาสู้ปฏิบัติตามคำสอนบุรพชนอีสานที่ว่าลูกแต่ดึกไปให้กอนกาไปหน้ากอนไกลส่วนม น, นาบิดานั้นก็เช่นเดียวกันเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเป็นแม่สีเรือนเมื่อว่างจากหน้านาท่านจะอิ้วไายขิดไายกวักไหมใส่เชิงอักติดตั้งเฟืม่มแล้วจึงต่ำหูพ่อแม่ของเราเขาลักษณะที่โบราณท่านว่าหัวทอมีภาย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 ได้ฝันเห็นดาวดวงหนึ่งมีแสงรัศมีเปล่งสุกสกาวชดช่วงลอยเด่นกระหนึ่งว่าอยู่ในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์อรารามงามยิ่งหาที่ต้องติม่ได้เลยในภาพแห่งความฝันนั้นยังเห็นเหล่าท่านผู้มีบุญประพฤติศีลธรรมอันดีงามสงบเยือกเย็นปรากฏเห็นเหล่าทวยเทพเหาะรายร้อมคาระวะเวียนไหวดวงดาวจระแสดวงงามเล่นนั้นแล้วอีกไม่นานนัก ดาวดวงงามเด่นนั้นก็ลอยหมุนวนลงมาจากสูงสวรรค์มาสู่ท้องฟ้าน้ำผาากาศและลงสู่พื้นดินล่นร่วงลงมาอยู่ตรงเบื้องหน้าสวยงามสดใสเกินที่จะกล่าวโยมมานดาของเราจึงรีบเอากระพุ่มมือทั้งสองยื่นออกรับในฝันนั้นได้เกิดความปีติยินดียิ่งกว่าได้สมบัติใดๆแม้ตื่นจากฝันปีตินั้นก็ยังปรากฏอยู่ประหนึ่ง ว, ว่าความฝันนั้นเป็นความจริง เมื่อโยมมารดาฝันอย่างนั้นด้วยความตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงนำความฝันอันเป็นมงคล น, นั้นไปเล่าให้ตากัญชากับยายแก่ปู่สมบัติกับย่าแห่ฟังและบอกเรื่องราวที่ตนตั้งคันท่านเหล่านั้นจึงให้ตามหมอโหนในหมู่บ้านมาผูกดวงหมอโหนได้ทานายความฝันไว้ว่าความฝันนี้เป็นฝันดีพิเศษนักไม่พึงปรากฏแก่ใครได้โดยง่ายเชรอยจะเป็นบุญบรรดา พวกท่านจะได้คนเอกเป็นมิ่งมงคลมาเกิดในตระกูลปักกะสีนังจะต้องเป็นบุรุษรัฐใชายชาติอาชาในเป็นแน่แท้และจะได้ออกบวชมีชื่อเสียงโด่งดังกระชอนไปทั่วทุกทิศมีคนนับถือมากมายได้ก้าวเดินตามรอยบาทรพระศาสดาสมกับเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรสและได้สร้างขอบเขตสีมาอารามใหญ่โตและหมอโหนได้ทาลายต่อไปอีกในยันหนึ่งว่าอีกก้าเดินข้างหน้า